พระนิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงจังหวัดพระ น, นครศรีอยุธยาและตานานเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั้นเป็นที่ประจักษ์และชื่อถือของผู้คนมาเป็นเวลานา น, านแล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตและเจ้าแม่สร้อยดอกมากก็ควรที่จะได้รู้จักประวัติที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้เสก่อน ประวัติแรกก็เริ่มของการสร้างหลวงพ่อโตในพงสาวดาร น, นะคะว่าสร้างขึ้นในปีช่วดพุทธศักราช 1,867 ก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาถึง26ปีเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามแสดงฝีมือปั้นที่ล้ำเลิศปูนปั้นปางมานวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง7วา10นิ้วสูง9วา2ศอกประดิษฐานในพระวิหารใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นคำว่าหลวงพ่อโตเป็นนามพระพุทธรูปที่เห็นมีอยู่หลายที่ที่ตั้งชื่อเดียวกันนี้ก็เพื่อป้องกันการสับสนพระองค์จึงทรงถวายนามให้ใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนยกหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงถูกสร้างขึ้นในคราวที่พระยาเลไทย กษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงสุขโขทยัยพระราชวงศ์พระร่วงครองราชเป็นปีที่7สำหรับผู้สร้างนั้นสันนิษฐานกันว่าคือพระเจ้าสายน้ำพึ่ง กษัตริย์ผู้ปกครองแห่งกรุงอโยธยาก่อนกรุงศรีอยยธยาจะเกิดสาเหตุแห่งการสร้างวัดและสร้างหลวงพ่อโตก็เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักและความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมเหสีราชธิดากษัตริย์กรุงจีนที่ทรงพระนามว่าพระนางสร้อยดอกหมากนั่นเอง พระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นพระนามของกษัตริย์ไทยก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารเหนือเล่ากันว่าแต่เดิมพระองค์เป็นสามัญชนแต่ต่อมาเมื่อกษัตริย์ที่ครองกรุงอยุธยาว่างลงไม่มีผู้ใดจะสืบสันตติวงศ์ต่อไปเสนาอำมาตย์จึงเสี่ยงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หาผู้มีบุญมาครองเมืองในวันที่มีการเสี่ยงเรือนั้นได้มีเด็กเลี้ยงควายกลุ่มหนึ่งจานวน47คนเลี้ยงควา อยู่ที่บ้านหัวปลวกในจานวนนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งตั้งตัวเป็นหัวโจกสมมุติตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่งว่าราจการอยู่บนจอมปลวกและสั่งให้ตัดหัวเพื่อนคนหนึ่งเมื่อเด็กที่เล่นเป็นเพชฌฆาตคนนั้นไปตัดหัวด้วยไม้ขี้ตอกปรากฏว่าเด็กคนนั้นหัวขาดตายไปจริงๆและขณะนั้น ก็เป็นช่วงเวลาที่เรือสุพรรณหง์อันเป็นเรือเสียงทายอันเชิญเครื่องกระกุดพันแล่นมาถึงที่นั่นพอดีซึ่งไม่ว่าฝีพายจะออกแรงภายยังไงเรือก็ไม่เคลื่อน เหล่าเสเนอรมาร์ตจึงได้ขึ้นฝั่งและพบกับเหตุการณ์นี้จึงได้อัญเชิญเด็กเลี้ยงควายหัวโจกผู้นั้นมาเป็นกษัตริย์ครองเมืองชาวกรุงเก่าให้ความนับถือหลวงพ่อโตกันมานับร้อยรอยปีนะคะและมีเรื่องเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับอภินิหารศักดิ์สิทธิ์มากมายแม้ในกระทั่งพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็ได้มีบันทึกไว้ว่าเมื่อก่อนกรุงจะแตกในปีพุทธศักราช2310นั้นพระเจ้าแผนงเชิงน้ําพระเนตรไหลจรดพระนาภีเป็นลางร้ายบอก เหตุว่าชตากรุงศรีอยุธยาถึงคราววิบัติเมื่อชาวกรุงเก่าเห็นเหตุการณ์ประหลาดดังนั้นจึงพากันขนย้ายสมบัติทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่ที่อื่นซึ่งไม่นานพม่า ก, ก็ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกอย่างย่อยยับจริงๆต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร พยายามจะบินไปทิ้งระเบิดสะพานปรีดีธํรมรงหรือสะพานใหม่อันเป็นเส้นทางสายเดียวที่จะเชื่อมเกาะเมืองกับถนนสายนอกทั้งนี้เพื่อตัดเส้นทางลําเลียงของญี่ปุ่นแต่แล้วก็ทําไม่สําเร็จเพราะลูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรทุกลูกเมื่อทิ้งลงมาถูกสะพานแล้วกลับไม่ระเบิดแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ชวนขนหัวลุกโดยผู้เฒ่าผู้แก่ชาวกรุงเก่าที่มีบ้านอยู่บริเวณใกล้สะพานปรีดีธํรรงเล่าให้ฟังว่า ในคืนที่เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนั้นเป็นคืนข้างขึ้นพระจันทร์สว่างทันทีที่เครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาพวกเขาเห็นชายชะลาคนหนึ่งขี่ม้าสีขาวโพลนขึ้นไปในอากาศเพื่อปัดลูกระเบิดนั้นไม่ให้ถูกสะพานเมื่อชายชราผู้นั้นปัดระเบิดทิ้งไปหมดก็หายวู่ไปที่โบสถ์หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงรุ่งเช้าใครต่อใครจึงพากันไปดูหลวงพ่อโตปรากฏว่า พบรอยแตกที่พระกรขวาร้าวลงมาตลอดจึงตร่ำลือกันว่าหลวงพ่อโตท่านช่วยปัดลูกระเบิดเพื่อช่วยชาวกรุงเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2363ช่วงรัชกาลที่2ได้เกิดโรคระบาดอหิวาตะกะโรค จนผู้คนล้มตายกล่าวละมากๆไม่เว้นแต่ละวันจนวัดไม่มีที่จะเผาและไว้ศพจึงต้องโยนทิ้งน้ําลงไปบ้างศพลอยอืดตลอดแม่น้ําลำคลองครั้งนั้นว่ากันว่าคนตายเหมือนใบไม้ร่วงในอยุธยา ก, ก็เช่นกันดังนั้นผู้คนในตําบลสัมเพลาล้มจึงได้ไปตั้งสัตยาธิฐานต่อหน้าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงขอให้ช่วยเมตตารักษาโรคภัยให้หายและก็อาน้ามนต์กับขี้ทูบบริเวณพื้นวิหารนั้นไปอาบกินและถาตัวเพื่อป้องกัน โรคปรากฏว่าหายได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อโตเรื่องระบือไปไกลหลายคนเชื่อว่าองค์พระพุทธรูปในอยุธยาที่มีอยู่มากมายหลายองค์นั้นแต่ละองค์ล้วนศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้เพราะทุกองค์จะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่สําหรับองค์หลวงพ่อโตแห่งวัดพนัญเชิงหลายคนเชื่อว่าเทพที่สถิตปกปักรักษาองค์พระก็คือทิพยวิญญาณของเจ้าชายสายน้ํำผึ้งนั่นเอง ชาวบ้านที่ทํามาค้าขายทางเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตเมื่อหลายสิปีก่อนเวลาออกเดินทางไปค้าขายทางเรือเมื่อต้องผ่านหน้าวัดพนัญเชิงมักจะกระทําตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่เดิมนั่นคือนั่งอธิษฐานจิตแล้ววักน้ําตรงบริเวณหน้าพระวิหารของหลวงพ่อโตใส่หัวเรือและหัวตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็แปลกที่เป็นไปตามคําอธิษฐานทุกประการ ความศักดิ์สิทธิ์อีกเรื่องหนึ่งของหลวงพ่อโตซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มนักดำน้ำหาสมบัติเก่าเล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีอดีตทาหารเรือกลุ่มนักดำน้ำเคยไปดำน้ำหาสมบัติที่หน้าวัดพนัญเชิงและทราบว่าที่ใต้ฐานหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงมีของมีค่าอยู่มากมายซ่อนอยู่วันที่เขาและพักพวกลงไปดำน้ำนั้นก่อนลงไปเขาได้อธิษฐานขอดำน้ำเพื่อลงไปดูว่ามีสิ่งใดบ้างอยู่ใต้น้ำและเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ขอแตะต้องโดยเด็ดขาด ขอให้หลวงพ่อโตจงรับรู้เจตนาเมื่อดำน้ำลงไปเขาก็ได้มุดเข้าไปในโพรงที่เป็นกระแสน้ำเซาะเข้าไปใต้วิหารหลวงพ่อโตเห็นดินร่วงลงมาจนเป็นอุโมงค์เมื่อเอาไฟฉายส่องดูก็พบกับภาพที่อัศจรรย์ใจอย่างมากเขาเห็นพระพุทธรูปทองคำที่ถูกฝังไว้กับดินพร้อมด้วยเงินทองมากมายอยู่ในลังไม้ก็มีอยู่ในอ่างเคลือบขนาดใหญ่ก็มีแต่ขณะที่มองดูอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนพูดกล้องมาว่า เจ้าอย่านำขึ้นมาดูอยู่แค่นั้นหมดเวลาแล้วจงกลับไปเสียเถิดเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาก็ขนลุกทันทีและคิดในใจว่าหลวงพ่อโตท่านเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากภายใต้พื้นดินก็ถูกน้ำซ้อจนเป็นโพรงน่าอัศจรรย์ทั้งๆที่ท่านมีน้ำหนักมากทำไมองค์ท่านไม่ถล่มทลายลงมานี่ถ้าไม่ใช่พระพุทธบารมีก็คงพังลงสู่แม่น้าไปนานแล้ว ปัจจุบันองค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนายกแห่งวัดพนัญเชิงยังคงเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคนล้วนมากระดาบไหว้บูชาเพื่อขอพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีของท่านให้ช่วยคุ้มครองเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อโตสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายได้นานนับประการ